ผลที่ปรากฏในชีวิตจริงหรือผลในทางปฏิบัติของผู้บรรลุนิพพานข้องอความเป็นกันเองกับชีวิตความตายการพลัดพรากและมีเมตตากรุณาต่อทุกชีวิตในอุปเสนาวังคันตะปุตสูตรขุตกานิกายอุทานพระพุทธองค์ทรงอุทานปรารบพระอุปเสนาวังคันตบุตรผู้บรรลุอรหัตผลแล้วว่า จะมีชีวิตอยู่ก็ไม่เดือดร้อนถึงจะตายก็ไม่เศร้าโศกถ้าเป็นปาชมอมงเห็นที่หมายแล้วถึงอยู่ท่ามกลางความเศร้าโศกก็หาโศกเศร้าไม่ในสารีปุตตะเทระคถาพระธรรมเสนาบดีภาษาสารีบุตรเถระได้กล่าวคาถานี้ไว้ว่าความตายเราก็ไม่ได้ชื่นชอบชีวิตเราก็ไม่ได้ติดใจ เราจักทอดทิ้งกายนี้อย่างมีสัมปชัญญะมีสติมัน่นความตายเราก็มิได้ชื่นชอบชีวิตเราก็มิได้ติดใจรอรอท่าเวลาเหมือนคนรับจ้างทำงานเสร็จแล้วรอรับค่าจ้างครั้งหนึ่งพระอุปเสนเทระนั่งพักอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งในป่าศรีตะวัน งูสองตัววิ่งไล่กันบนเพดานถ้ำตัวหนึ่งตกลงมาบนไหลของพระเถระและกัดท่านพิษส่านไปอย่างรวดเร็วพระเถระรู้ตัวว่าท่านจะสิ้นชีวิตแต่ท่านไม่ได้มีอาการกิริยาผิดปกติอย่างใดๆเกิดขึ้นเลยและอย่างได้บอกให้พิสุท์ทั้งหลายเอาร่างของท่านนอนลงบนเตียงนำไปวางให้ท่านป ร, รินิพานนอกถ้ำครั้งหนึ่ง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 ก็แต่ผมจะมีความคิดว่าท่านผู้มเหสักซึ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากได้รับหายไปเสียแล้วหนอหากพระผู้มีพระภาคจะพึงทรงดำรงอยู่ยั่งยืนนานข้อนั้นก็จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกพระเทระชื่ออาทิมุตถูกพวกโจรจับไป ท่านไม่มีความหวาดหวั่นกลัวภัยนายโจรแปลกใจกล่าวคำซักถามต่อไปนี้เป็นคำถามของนายโจรและคำตอบส่วนหนึ่งของพระเทรันายโจรถามว่าก่อนนี้เราจะฆ่าใครเพื่อบูชายันก็ดีเพื่อเอาทรัพย์ก็ดีคนเหล่านั้นล้วนกลัวภัยตัวสั่นและพร่ำเพอ้อแต่ท่านไม่มีความกลัวเลยสีหน้าก็ผ่องใสนะัก เหตุใดท่านจึงไม่คร่ำครวญในเมื่อภัยใหญ่ถึงเพียงนี้พระอาิตุตตะเราตอบว่าแน่นายโจรทุกทางใจย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ห่วงใยชีวิตผู้สิ้นสั่งโยต์แล้วข้ามพ้นความกลัวทุกชนิดเราไม่กลัวความตายเหมือนคนไม่กลัวที่จะวางภาระลงผู้บรรลุอุดมธรรมแล้วไม่ต้องการอะไรในโลกทั้งหมด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 ย่อมจะไม่เศร้าโศกว่าของเราไม่มีร่างกายเราก็หมดความต้องการแล้วพบเราก็ไม่ปรารถนากายนี้จะแตกพังไปกายอื่นก็จะไม่มีท่านมีกิจอะไรจะทำกับร่างกายของเราก็จงทำกิจนั้นตามที่ท่านปรารถนาเราจะไม่มีความโกรธเคืองหรือความรักไร่เพราะการกระทาของท่านนั้นเลย พวกโจนฟังคําของพระเถระแล้วขนลุกขนชันพากันวางอาวุธซักถามอีกเล็กน้อยแล้วยอมมอบตัวเป็นสิทธิ์บางคนก็ขอโบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาในมหาหัตถิปโทปะมะสูตรมัชฌิมนิกายมุลปา น, นาฏพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้หากพวกโจรร้ายจะพึงจับตัวเอาเลื่อยที่มีด้ามสองข้าง ตัดอวัยวะน้อยใหญ่ผู้ใดยังใจให้คิดร้ายในพวกโจรผู้นั้นหาชื่อว่าทำตามคำสอนของเราไม่ในอุปสถสูตรอังกุตรรนิกายติกนิบาตพระพุทธเจ้าตรัสแสดงอรยะอุโบสถให้นางวิสาขาฟังถึงตอนที่ปรารบปฏิปทาของพระอรหันต์ทั้งหลายเพื่อว่าผู้รักษาอุโบสถจะได้ทำตามพระองค์ตรัสว่า พระอาหารหันต์ทั้งหลายละปานาติบาตประกอบด้วยความการุณามุ่งหวังแต่ประโยชน์แก่สัตว์ทุกหมู่เหล่าตลอดชีวิตในกรณีเมตสูตรขุตกานิกายขุตถกปาทะพระพุทธเจ้าตรัสว่าพึงแผ่ไมตรีจิตในสัตว์ทั้งหลายว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความกเกษม มานดาถนอมบุตรน้อยคนเดียวผู้เกิดจากตนแม้ด้วยยอมสละชีวิตฉันใดพึงเจริญจิตเมตตาไม่จำกัดในสัตว์ทั้งปวงชั้นนั้นพุทธพจน์ในกรณียเมตสูตรนี้เป็นคำสอนสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อนิพานนำมาแสดงไว้ด้วยในฐานะที่พระอระหันต์เป็นผู้ปฏิบัติตามนี้ได้บริบูรณ์แล้วในสกิ ก, กสูตรสังยุตติายสขาตวครค หลังจากที่พระเทวทัตกลิ่งหินลงเพื่อให้ทับพระองค์สะเก็ดหินปลิวมาถูกพระบาทพระโลหิตห่อทรงได้รับทุกเวทนาแรงกล้าแต่ทรงมีพระสติสัมปชัญญะอดกลั้นซึ่งเวทนาเหล่านั้นได้ลำดับนั้นพระองค์รับสั่งให้ปู่ผ้าสังคาติเป็นแปดชั้นแล้วสำเร็จสีหาสายยาครั้งนั้นแหลมารผู้มีบาป เข้าไปหาพระองค์ถึงที่ประทับแล้วกล่าวว่าท่านนอนด้วยความเเข่อหรือโมเมาคิดกราบกรอนอยู่ประโยชน์ทั้งหลายของท่านไม่มีมาท่านอยู่นะที่นอนที่นั่งอันสงัดแต่ผู้เดียวตั้งหน้านอนหลับนี่อะไรท่านหลับทีเดียวหรือพระองค์ตรัสตอบว่าแม้แต่คนทั้งหลายที่มีลูกศรเสียบหัวใจอยู่ก็ยังหลับได้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 กลับไปที่วัศการสูตรอังกุตระนิกายจาตุการนิบาตอีกครั้งที่พระองค์ทรงวางหลักว่าบุคคลที่เป็นมหาบุรุษมีปัญญายิ่งใหญ่ประกอบด้วยคุณสมบัติ4ประการนั้นทำของมหาบุรุษผู้มีปัญญายิ่งใหญ่ข้อที่หนึ่งคือเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนจานวนมากเพื่อความสุขแก่ชนจำนวนมาก เป็นผู้ทาเหล่าประชามากมายให้ตั้งอยู่ในทางดำเนินของอารยชนกล่าวคือความมีกัลยาณธรรมความมีกุศลธรรม